ศาสนาคนนี้ทําไมเขาถึงตั้งอยู่ได้นานถึงวันนี้ครับทางนี้คุณศานาในอินเดียนะเสื่อมไปหมดแล้วนะไรศาสนาทางก็เหมือนกันนั้นก็ยังอยู่ได้นะครับและต่างต่างละที่ไหนนะก็ยังแบบมันกันยั่งยั่งยืนนะคงกระพันอยู่ครับถึงวันนี้เลย หรือแต่ที่ชอบไปยบุ๋มเบิกทาคนใหม่ใช่ไหมเข้าแบบาเานี่ว่าตึงเกิน เ, นเขาทำศุกร า, านนกิจิยาไม่พวกศาสนานีธรรมจิตสาวกนี้ค น, นครแต่วความจริงเห็นผลเป็นอย่างนี้นะครับเหตุผลก็คือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของปัญญาครับต้องสช้สติปัญญานะถึงจะรับาศาสนาไม่ได้นะครับ แต่ชนะอื่นหะรืข้อสายตัณหานักทิฏฐิความยึดมันม่นถึงมั่นครับความพอเจริญรัฐที่นั้นนะครับและยึดมั่นถึงมั่นเรื่องหน้าของตัณหานัทิฏฐิเหล่านี้นะมันก็เลยเหนียวแน่นไงมาสายกิเลสเป็นตัวรักษาไว้นะครับแต่พอเราเดินจะรักษาไม่ได้ก็ด้วยสายปัญญานะการศึกษาการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมวิไไนัยนะครับโดยปฏิบัติพื้นดินโดยปริยัติเจนะิญแสน ให้เข้าใจลักษณะเลยซึ่งมันต้องอาศัยปัญญาใช้ปัญญาใช่ไหมทีนี้คนส่วนใหญ่มีคนที่มีปัญญาหรือมีคนที่ไม่มีปัญญาครับก็ไม่มีปัญญาใช่ไหมตีลักษณะก็เลยเสื่อมสารเสียอีกเพราะฉะนั้นศาสนาก็เลยพ่อว่าต้องใช้ปัญญานักษณะแล้วก็รู้อย่างประเทศไทยตอนนี้กําลังเสื่อมทุกวันทุวันพอ่พออะไรพ่อเขาไมมีปัญญาศึกษาไม่ได้ศึกษาศาสนานั่นคือศาสนาแบบเออไม่เข้าใจใชครับ แล heit, ้วก็ไปถือผีถือสาเป็นอะไรสารพัดนะคือมีปัญญากับแค่ศานาสื่นะครับเ้าได้ชื่อว่าชาวพุทธนาถเบียนบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจจริงๆนี้คนไม่เข้าใจมีมากถึงมากถึงโรงงานมากขึ้นใช่ไหมคาสอนก็มีความสื่อารปฏิบัติน้อยลงน้อยลงครับค่อยสืบเรื่อยสืบเรื่อยสืบเรื่อยที่สุดไม่มีใครออาแนบก็สือบไปแต่บางคั้งมันเหนียวแน่นคงกับพันอาศัยตัญหาหน้าทิศผีนะยิ่งมากถึงมาน คือนก็ม ใช่ไมอ๋อใ่เ <c ười> อ <c ười> อนัอ้ <c ười>